ตอนนี้ขอให้ทุกคนนั่งหลังตรงครับอย่ากเกรงตัวนะครับหายใจลึกๆช้าๆก่อนแล้วก็ขอให้คิดตามที่ผมจะนำ กรุณาหลับตานะครับเพื่อที่จะได้ไม่ให้รบกวนสมาธิของเราขอให้ทุกคนคิดว่ามีแสงสว่างอยู่ข้างหน้าของเราและนําแสงสว่างนั้นเข้ามาตรงบริเวณหน้าผากเข้ามาในศีรษะของเราให้ศีรษะของเรา เต็มไปด้วยแสงสว่างแสงสว่างอยู่ที่ไหนความมืดก็อยู่ไม่ได้เราจะคิดแต่สิ่งที่ดีความคิดของเราเต็มไปด้วยความรักความเมตตาดำแสงสว่างลงมาที่หัวใจของเราและคิดว่าตรงหัวใจ มีดอกบัวเมื่อเจอแสงสว่างดอกบัวก็บานออกมาสวยงามจิตใจของเราก็เบิกบานเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์เต็มไปด้วยความรักความเมตตานำแสงสว่างลงมาที่แขนของเราที่มือของเรา มือทั้งสองข้างเต็มไปด้วยแสงสว่างเราจะทําแต่ความดีเราจะปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเสียสละด้วยความรักด้วยความเมตตานาแสงสว่างลงมาที่ขาของเราที่เท้าของเราเท้าทั้งสองข้างเต็มไปด้วยแสงสว่าง เราจะเดินก้าวหน้าด้วยความมั่นใจด้วยความกล้าหาญไปสู่เป้าหมายชีวิตของเรานำแสงสว่างกลับขึ้นมาใหม่ผ่านร่างกายของเราขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปากของเราให้ปากและลิ้นของเราเต็มไปด้วยแสงสว่าง เราจะพูดแต่สิ่งที่ดีที่มีประโยชน์คำพูดของเราเต็มไปด้วยความรักความเมตตานําแสงสว่างมาที่หูของเราหูทั้งสองข้างเต็มไปด้วยแสงสว่างเราจะฟังแต่สิ่งที่ดีได้ยินแต่ความดีเราฟังทุกคน ด้วยความรักด้วยความเมตตานำแสงสว่างมาที่ตาของเราตาทั้งสองข้างเต็มไปด้วยแสงสว่างเรามองแต่สิ่งที่ดีเห็นแต่ความดีในทุกๆคนและในทุกสิ่งทุกอย่าง แสงสว่างขึ้นไปีกจนถึงบริเวณศีรษะของเราให้ศีรษะของเราเต็มไปด้วยแสงสว่างและกระจายแสงสว่างออกไปจากตัวของเราให้ครอบคลุมทุกคนที่อยู่ในหอประชุมนี้และกระจายแสงสว่างออกไปให้ปกคลุมคุณแม่คุณพ่อของเรา ผู้ที่มีพระคุณต่อเราเลี้ยงดูแลพวกเรามาและนำแสงสว่างนั้นไปมอบให้กับครูอาจารย์ของเราผู้ที่ได้ให้วิชาความรู้กับเรากระจายแสงสว่างออกไปกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนรวมโลกของเราทุกคนสัตว์ทั้งหลาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตให้โลกของเราเต็มไปด้วยแสงสว่างเต็มไปด้วยความรักความเมตตาเต็มไปด้วยความสงบสุขและกระจายแสงสว่างให้ทั่วจักรวาลทุกขนทุกแห่งเต็มไปด้วยแสงสว่างเราอยู่ในแสงสว่าง แสงสว่างอยู่ในตัวเราเราคือแสงสว่าง ตอนนี้ให้นำแสงสว่างมาบรรจุไว้ในหัวใจของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหนเราจะมีแต่แสงสว่างในดวงใจของเราตลอดไปค่อยๆลืมตาครับ